ปลาดูหน้าตายอดโยงก็ดูหน้าตาปลายี่สิบเจ็ดยิบแปดเน้นหนึ่งยอดโยงประมาณห้าสิบที่นี่ด้านในเราธรวมะสวดมนต์กันแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมข้างหน้ามีกลัว มาก็จะเจอตลอดคนอยู่กลัวคนที่คอยบริการแล้วก็แนะนำากชวนล้างสารพิษในนี้ใครโดนแนะนำาเ ช, ชวนล้างสารพิษมัง่งยกมาเกินเดี๋ยวที่ยิมยมๆไ ใครเชิญให้ทำกรรมฐานวางยกมาขึ้นไม่มีทั้งคู่เลยนะเออเอาก็จะมาอะไรกันก็เถิดนะว่าเย็นนี้มาทำวัตรเย็นร่วมกันก็จะพูดให้ฟังสิ่งที่พูดก็คือมันมีทั้งกายทั้งใจทุกคนนั่นแหละที่เราขันหน้าภาษาศาสน า, ษ า, ษารูปธรรมนามธรรม รูตตามก็คือตัวชีวิตนามรามก็คือตัวชีวิตยิ่งรวมกันเนี่ยมันก็คือชีวิตชีวาที่เราจะต้องใช้ทําหน้าที่จนเกิดประโยชน์สูงสุดในการดํารงชีวิตในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยในเฉพาะร่ า, า ง, งเป็นมนุษย์ใจเป็นอะไร ร่างกายไม่ป่วยใจป่วยไหมร่างกายเรามีพิษล้างสารพิษใจมีพิษได้ล้างสารพิษไหมความคิดน่ยที่เราไม่ได้ตั้งใจการปรุงการแต่งที่มันเกิดขึ้นเองบางทีอารมณ์ก็ตกค้าง ความประทับใจไม่ประทับใจเป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นพิษมันเป็นภัยจิตใจของเรามันมีอารมณ์จนก็ใช้ภาษาเรียกว่ามลสมชีวิตหลายบางคนเนเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องของวัตถุที่เรานิยมอำนาจที่เรานิยมบริโภคนิยม ตุนนิยมต่างๆการกินเกียดมันก็เป็นภ า, ภายในของตัวเราทางนอกกตอนนี้แถวภาคใต้กอะสมุมรตราเจอเข้าไป 8.9 ลิเตร์อีกแล้วกำลังเฝ้าระวังกันอยู่ตอนนี้ว่าคลื่นสึนามิมันจะมาเปล่าใครที่เคยโดนสึนามิโร ง, งแรมสร้างใหม่ต่างๆนั้นี้กำลังเรียกว่าห้าสิบห้าสิตุบตตับจิตใจ มันจะเจอภัยซูนามิกันหรือเปล่าคลื่นสูง11เมตร12เมตรเข้าะล่มชายฝั่งภัยภายนอกโดยเฉพาะคนที่อยู่ชายฝั่งแต่คลื่นความคิดนี่ทั้งโลกเลยมันเป็นธรรมชาติความคิดนี่เกิดตับถ้าควบคุมดีๆมันก็เป็นโพธิ์เลย ควบคุม ด, ดีความคิดนะ อ, อยู่ในกรอบของการมีสตินะปัจฐานรละลึกรู้รู้ตัวตัวพร้อมนะเกิดสัญญาขึ้นมาสัมััญญาหมายถึงนะพร้อมเผชิญนะนะนะพร้อมเผชิญมันเกิดอะไรขึ้นมารูปรสกลิ่นเสียงต่างๆ เกิดขึ้นมาอารมณ์ที่มากระทบต่าง ๆ, างๆภายนอกภายในใพร้อมเผชิญไม่เอามาเป็นความทุกข์เห็นตามความเป็นจริงมันก็เป็นสภาวะของพระไตรลักษณ์แต่ก็ต้องมาเริ่มต้นกันสักหน่อยสักซ้อมฝึกหัดสติปัฏฐานให้มันวองไวสักหน่อย จะไวแค่ไหนก็ลองแค่เคลื่อนมือดูการเคลื่อนไหวไกายนะมันเป็นสติปัฏฐานหรือยังเป็นวิปัสนาหรือยั ง, ย, งยังเป็นสมถะอยู่เนี้ยก็ต้องลองดูครึ่งชั่วโมงเป็นยังไงหนึ่งชั่วโมงเป็นยังไง2องชั่วโมงเป็นยังไงลองทําดู1วันเป็นยังไงเก็บอารมณ์สักเกวันสิเป็นไงเอาสักครึ่งเดือนไหมเป็นยังไงแต่ละวันมันจะคุ้มดีคุ้มร้ายฟู ฟ, แฟูแฟบ เดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวโรคปงเบาเจาะกรดไหนแล้วเราไปให้ค่าให้ราคาสิ่งเหล่านั้นยังไงอาการเหล่านั้นดูด้วยความฉลาดหรือว่าเอามาเป็นความโง่ต่อไปเหมือนงงสงสัยตกลงมันอะไรกันแน่มันถูกหรือผิดอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยสงสัยต่อไปหรือไม่ เดินโยกมเป็นยังไงการใช้ชีวิตเป็นยังไงใช้ตาใช้หูจมูกเลนเป็นยังไงหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงมันชวนมันบังคับเรามีที่นเนือตัวสติเนือตัวปัญญากลายเป็นหลงรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆก็จะได้เห็นตอนที่เราเจริญสตินี่แหละ เรารู้สึกตัวที่ฐานกายดีๆก็จะไปทางตาเดี๋ยวจะดุ้งตกใจไปกระเสียงทางหูบางทีก็คิดหวาดกลัวมาเสียวสันหลังบาบบาบเลยสะดุ้งหวาดผวาอยู่ที่นี่ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเลยที่นี่มันไม่มีภัยอะไรหรอกที่เราจะต้องเฝ้าระวังจริงๆก็คือความคิดนที่มันชวนให้เกิด อารมณ์ต่างๆซ้อนขึ้นมานะปุุ ง, งแต่งๆทำาไมขาดความเป็นตัวของตัวเองนะอารมณ์ก็บไบเราวันไหวนะเป็นสุขเป็นทุกขนะ์การเคลื่อนมือที่แรกมันก็จะเคลื่อนทั้งเคลื่อนทั้งหยุด เป็นเครื่องระลึกรู้นะเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะตัวรู้ก็รู้ตัวรู้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างเดียวนี่แหละธรรมชาติของจิตที่มีนิสัยความคุ้นชินเก่าๆเคยชิน ต, ต่างๆมันก็จะพาแวบพาแวบไปลองรอยเก่าๆจแบบับแลบหรือว่า เสียตลาไหลไปบางทีมีความง่วงมีความเบื่อเป็นกับดักชวนให้ไม่สร้างความต่อเนื่องต่อไปพระทําไปทาไปเห็นความคิดในรูปแบบต่างๆเป็นอาการต่างๆบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีบางทีเราก็ชอบบางทีเราก็ไม่ชอบ เดี๋ยวเกิดความพอใจไม่พอใจบางทีก็อยากางทีก็ไม่อยากมันจะเกิดเกินม่เป็นของคู่เลยในความคิดบางทีมก็วิภาควิจารณ์คิดไปบางทีมก็วิโตว ค, วควิจารณ์คิดไปวิพาก์วิจารณ์เป็นไงก็คือมันออกไปนอกตัวเห็นคนก็วิภาควัคนเห็นสัตว์ก็วิภาควิจารณ์เห็นต้นไม้นะ กิพวิจารณต้นไม้ร้อนกิพากอากาศวิจารณอากาศฝนตกสารพัดนั่นแหละแล้วแต่มันวิตกวิจารเป็นไงเวลาเกิดอาการอะไรขึ้นมาที่ตัวเองหน่อยวิตกวิจารณมันเป็นสมาธินะวิตกวิจารณเป็นไฟกุศลหนึงจะเป็นอารมณ์บุญ กิดอามณ์ุญขึ้นมาอารมณ์วิตกวิจารณเป็นสุขดีใจอิ่มใจปลิ้มใจขนลุกขนพองเบาเนื้อเบาตัวสารพัดทิ่มเป็นอาการเมื่อเราปฏิบัติเราก็ดูเป็นเพียงแค่อาการไม่เอามาเป็นความพอใจไม่พอใจเป็นอาการมันเกิดการปรุงสังขาร ปรงหมายถึงสังขารปรุงแต่งรู้จักกายรูปรธรรมมันก็ไปรู้นามธรรมด้วย<ม>อารมณ์ต่างๆเป็นนามธรรมความรู้ต่างๆเป็นนามธรร ม, มเกิดความรู้สึกทุกข์หรือว่าสุขเกิดมาไม่สุขไม่ทุกข์ต่างๆก็เป็นนามธรร ม, มจดจําเรื่องราวต่างๆ เราสัญญาจําได้ไหมรู้รู้ว่าคืออะไรสัญญาจําได้การยกมือเนะี่ยมารู้ว่าคืออะไรรู้ซ้ำๆรู้ซ้าๆจําได้รู้แบบไหนที่มันรู้แล้วมันรู้สึกผ่อนคลายสบายจําได้บางจิตวางใจตําแหน่งไหน ที่มันเกิดการวางจริงๆไม่เข้าไปในอาการต่างๆจําได้เป็นสัญญานะมันเคยจําได้เวลานี้กินอะไรมันจําได้เวลานี้ต้องกาแฟเวลานี้ต้องอาบน้ําเวลานี้ต้องทํางานแล้วเวลานี้อ่ะละส่วนแค่นี้พอแล้วครึ่งชั่วโมองอะไรเงี้ยมันจําได้ สัญญาจำได้หมายรู้ได้สมองแต่พอเร า, าเคลื่อนมือรู้สึกอา้าวมันจำได้ถึงการเคลื่อนมือรู้สึกแล้วมันก็รู้ด้วยทําอย่างเงี้ยไม่ทุกตัวครั้งที่รู้สึกไม่ทุกนะเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนการเข้าอยู่ในความคิดออกมาจากความคิดทั้งหมดเบื้องตน้นในเราจึงฝึกหัดเดินโยงโกลมนั่งสร้างจังหวะก็คือฝึกออกาจากความคิดทั้งหมดนั่นแหละ <Yeah. S 2> เพื่อนสัมผัสธรรมสัมผัสธรรมไม่ใ่คิด เห็นธรรมสัมผัสธรรมสัมผัสธรรมชาติ mm hmm. เพื่อได้เห็นอสมปมิติฐานการคิดมันอยู่ตรงไหนเกิดตรงไหนเมื่อเห็นลังของทุกข์ร mm hmm. ังของความทุกข์เกิดจากสมมุติ mm hmm. ที่เป็นความคิดละก่อลมต่างๆมากมายภายในใจิตใจของเรา mm hmm. อันนี้แหละภ า, ภายในภายวัตฏาสงสาร mm hmm. ออกมาเบื mm ้อ hmm. งตน้นหลังจากที่มันสติแด่นแล้วน mm hmm. ความเป็นปกติความเป็นกลางความสมดุลจะเรียกอะไรก็เหอะมันจะเกิดการรู้เฉยๆรู้ซื่อๆคำว่าซื่อเนี่ยไม่ใช่เซื่อซื่อๆตรงๆไม่ใช่เซ่อเซ่อโคตรๆมารู้ตรงๆจริงๆมั่นซื่อนะการเคลื่อนเมืองตรงกับการกระทําของเราแต่ถ้าคิดมันจะไปอีกแบบเดี๋ยวเจอข้อสอบกัรสอบตกไปแบบนี้พอ มีหมออยู่คนเอ า, อางี้ดีกว่าเราอาประสบการณ์ของคนปฏิบัติให้ฟังที่ผ่านมาเนี่ยปัญญาชนเกือบสองร้อยคนร้อยเก้าสิบแปดคนกลุ่มหมอตันดแพทย์เบสัตเนี่ยเรียกว่าท้พไทันก็ไม่ได้กินหรอกสอนธรรมะยังไงก็ไม่อยู่หรอกถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการล้อเล่นหรือว่าเป็นการอะไรไร หลอกกันเนี่ยรับรองได้เลยเอาไม่อยู่ไงกไม่อยู่มันเป็นเรื่องที่เขาก็พิสูจนะ์พอเขาอยู่ปฏิบัติทักไม่กี่วันนะนะสองสามวันมีอยู่คนหนึ่งหมออยู่คนหนึ่งเป็นหมอที่เป็นลูกครึ่งนะระหว่างอิสลามกับแม่ไทยพุทธนะก็ น, นี้พ่อเ็าเนี่ยถือศีลกินเจล่ะนะเป็นคริสนะเป็นคริสต์ตัวเขาเองนี่สับสนมาก ไม่รู้จะเอายัางไงเพราะว่าพ่อเคร่งศาสนาแม่ก็เคร่งศาสนาแล้วทะเลาะกันไ ม, ไม่รู้จะเอายัางไงศาสนาไหนดีแน่พ่อก็มือถือศักดปากถือศีลแฟนก็เลยฟังภาษาแบบนี้เลยเสร็แล้วก็เลยว่ามาที่เนี่ยเห็นพระไม่เชื่อทุกคนหรอกไม่เชื่อยิ่งให้ปฏิบัติธรรมนไม่เอาเลย ฟังธรรมก็ไม่เอาเลยนั่งก้มหัวอยู่อย่างเดียวเลยนะหลายวันเข้าบางทีก็อยู่ที่กุฏิด้วยก็หาวายบอกว่าให้คนที่พามาเจ้าของโครงการเอาออกมาเลยจากกุฏปรากุฏินี่ไม่ได้สร้างไว้เพื่อนะให้หลบหลบเหล็กๆ ห, หรือว่านะไปทำอย่างอื่นหาความสะดวกการกินการนอนนะบอกตรงๆชัดๆอย่างนี้แล้ ทามาหาความสุขการกินการนอ น, น, นไม่ทำให้หรอกไม่รู้จะทํทำไมจริงไหมจริงไหมอะไรม า, าไม่ทำจะทำทำไมหนีไปอยู่ป่าอยู่เขายอยู่ท่ามาเลยสบายใจพวกอย่างนีเสร็จแล้วบอกให้เรีเรยกมามานั่งกุยโอ้โหถือกุญแจแน่นเลยนะในมือนะกมแน่นเลยพร้อมแทงทันทีดูไหมกุญแจยาวๆถือแบบบิแน่นนะมือในเกง็ง ก็มีคนแนะนําให้ไปที่กลัวไปที่กลัวนะหลังจากที่พอกล่อมกันช่วยกันกล่อมจนยอมมาปฏิบัติธรรมเดินโยมกลมฟังธรรมบ้างเรียกว่ายกมือสร้างจาังหวัดนี้นั่งยกนะให้พระอยู่รูปหนึ่งเค่งพูดภาษาอังกฤษเก่งนะสื่อภาษาส่งภาษาอังกฤษนะให้ดูปฏิบัติอยู่วันนี้แหละนะปรากฏว่าคนที่ สัมผัสแล้วเกตก็คือแฟนของเขาที่เป็นหมอผู้ชายเขาบอกเลยว่าถ้าหากว่าแฟนเขาเป็นอย่างนีนะ้ก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าถึงจะเก่งขนาดไหนเกียดนิยมขนาดไหนแต่ว่าการที่เลือกไม่เป็นว่านะคนไหนที่ควรเกลียดคนไหนที่ไม่ควรเกลียดคนไหนที่นะทําให้เราทุกข์คนไหนที่ก็ไม่ได้ทําให้เราทุกข์ ดันเมตตาการให้อภัยมันต้องมีการให้อภัยกันกนะไม่ใช่เห็นคนทุกคนเป็นศัตรูอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ก็เลยไปนั่งฟังพระพูดพระเทศนที่กลัวไปด้วยอาการแข็งๆว่าก็ออกมาเขาบอกว่าโอ้ที่นี่กลัวนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยอาจาย์ที่นั่นนี่สับสนวุ่นวายแล้วก็ ไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ไม่ใช่วัดคำพวกคำนี้นะไม่ใช่วัดเยืนคุยกันนู้นนี่ไม่ใช่วัดก็ไปก็บอกมันไม่ใช่นะอนธิบายเลยบอกว่าใช่ที่นี่วัดป่าสโกโตเนี่ยอยู่โดยที่ไม่ต้องใช้กรอบระเบียบวินัยอะไรมากนะแล้วตรงนี้เราจะจัดสรรเป็นธรรมะจัดสรรนะตาดีได้ตาไรเสียถ้าคุณนะ มาโดยคิดว่ามีศรัทธามาแล้วก็มาฝึกความรู้สึกตัวในรูปแบบ14บจังหวะเพราะคุณเคยมีศรนะัทธาเช่นจากอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เว็บไซต์สุขโตเนี่ยเข้าอินเทอร์เน็ตนะหนังสือธรรมวัตรสวดมนต์เห็นคุณหมอไลฟ์ฟังมาเช้ามีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยนะคุณไม่ต้องมาก็ได้ทำมาได้ยินได้ฟังคุณสามารถโหลดหลวงปู่เทียนหรือว่าพระอาจารย์ว่าใจอาจารย์น๊ตอาจารย์ตุ้ม สารพัดอะไรมีอยู่ในนั้นหมดเนละฟังได้เลยเสียงแล้วบางคนบอกว่าฟังเสียงหลวงพอนะ่อข้างนอกนะ่ยดีมากเลยแต่เดี๋ยวนี้มาสัมผัสจริงๆแล้วท่านไม่พูดธรรมะซึ่งแตกต่างจากการวาดฝันแล้วมาอยู่ที่สุกโตอย่างเงี้ยนะบางคนก็เคยฝึกฟังรู้สึกตัวมาก็เอาเลยลงสนามเลยเคลื่อนมือ1ิบจีชงวะเล ย, ยเรียกว่าใช้สถานที่วัดป่าสุคโตนะเพื่การนี้โดยเฉพาะนะ รูปแบบจริงๆเรียกว่าร่วการเดินชงกลมหรือว่าคุณจะใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ไปเพราะที่นี่อากาศสบายธรรมชาติก็เกื้อกูลกับเราเต็มที่สังคมอาหารการกอบฉันก็มีคนใจบุญมากมายที่มาเรียกว่าสนับสนุนอย่างเช่นคุณมาลัยเมื่อเช้ายังไม่ได้ฉันเช้าเลยนะยังไม่ได้ฉันจะาช้ยประกาศบอกแล้วเมือเพนเนี่อลทุกรูปนะ บางทีเอาาเอชาวเขายังไม่ได้ตักแล้เพนมาลอยอีกแล้วอย่างเงี้ยโอ้มันปานนี้จะหรือนี่เมื่อก่อนในมือเดียวนมือเดียวพระตักมือเดียวแล้วก็เข้าป่าไปหอมหัวโตหน้าดาทั่ง น, น่ะเมื่อก่อนสุกโตของจริงเนี่ยต้องหัวโตปลาปลาช่อนสุกโตเนี่ยหัวโตทุกตัวสมัยเกนดชาวบ้านจับได้มันหลุดไปหน้าฝนออกไปข้างนอกเนี่ยผู้ใหญ่จะบอกเลยโอ๊ย ปลาสุกโตนี่ออกไปแล้วถามว่ารู้ได้ไงผู้ใหญ่ไม่หัวมันโตหนังมันเหนียวมันไม่ค่ยจะมีกินขนาดปลาหัวโตเหมือนปลาอะไรเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ญาติโยมก็เอาอาหารไปให้ไปเลยนะข้าวเหนียวบ้างอะไรบ้างจริงๆหลวงพ่อท่านบอกว่าปลามีบุญอยู่แล้วนะปลาเนี่ยมันมีบุญอยู่แล้วฟังให้ดีนะแต่เราไม่มีบุญต้องไปเอาบุญกับปลาต่อหารไปให้มันแล้วก็ได้ ความดีใจขึ้นมาอิ่มบุญมีความสุขเห็นเขาอิ่มสารพัดนะก็เลยว่ามาที่นี่นะก็เรียนรู้ไปเลยกรรมฐานนะแนวเคลื่อนไหว้จนะ็ดสี่จงหะแนวหลวงพเทีิยันแล้วลองได้เลยไม่มีหลอกการเคลื่อนมือแต่ละจังหวะนี่มันตรงไปตรงมามากเลยแต่ว่าการวางใจรับรู้ความรู้สึกตัวตัวนี้สำคัญ ทำให้เป็นพอมันเกิดการวางใจรับรู้ความรู้สึกตัวพอดีตรงนั้นนะ่ะมันจะเกิดอาการสภาวะธรรมต่างๆแสดงออกมาให้เราได้ดูเหมือนลอยเท้าช้างนะสตใิใครๆก็เปรียบเทียบอย่างนั้นแล้วก็เห็นด้วยเป็นธรรมที่มีวรรคะมากที่สุดเลยเหมือนลอยเท้าช้างจริงๆและสังเกตพอมันมีอาการนิ่งๆวางๆตรงนี้มันจะรู้รอบ ตาหูจงเล่นกายใจเป็นรอบเป็นแดนงานของปัจจุบันแล้วก็พอมันมีอารมณ์เกิดขึ้นมาอันนี้เราไม่ห้ามนะอารมณ์เนีย่ยสุขทุกข์ดีใจเสียใจต่างๆมีกิเลสมีอวักิเลสต่างๆแสดงออกมาเกิดดับเกิดดับรู้ได้ทันทีเหมือนกันน้ำนิ่งๆแล้วก็ใบไม้เล็กๆตกลงไปในน้าก็เพิ่มรู้ทันที ขนไก่เบาๆลอยไปนุ่นเบาๆลอยไปมันก็เพื่อมันรู้ชัดทันทีนะมันจะเกิดความเป็นเองขึ้นมาตรงนั้นเหนือเจ ต, ตนาแต่ใหๆ่เรามีเจ ต, ตนากำหนดรู้แต่กระทาไปทําไปมันเหนือเจ ต, ตนานมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดการพัฒนาการที่เราก็จะรับรู้รับทราบเป็นปัจตจางของใครของเราอย่างนี้ย อย่างอาตมาเคยพูดเมื่อเร็วๆ น, น, นี้ว่าการมาวัดป่าสุขโ ต, โตเนี่ยอาตมาเข้ามาอยู่ที่นี่วันที่23 23กุมภาพันธ์นพุทธศักราช2542เข้า ม, มาอยู่ที่นี่มาวันแรกและในปีนั้นได้หนึ่งภาษาได้ภาษาแรก ก่อนมาที่นี่รู้จักตัวคำว่าเพ่งที่วัดภูเขาทองตอนนั้นบวชวันที่ยี่บเ็ดกุมภาพันธ์ตั้งใจปฏิบัติเลยผ้าเหลืองมันยังใหม่ๆกยิก่นไอผ้าเหลืองนะแล้วก็จิตมันไม่ไปนสนใจเรื่องของคนอื่นหรอกมันไม่มีอะไรให้น่าสนใจเลยนะมันมาสนใจสิ่งที่เราจะมาทำ เคยพูดไว้ว่าจะมาทำพระนิพพานให้แจ้งวันที่บอกขลุงพ่อไว้วันแรกเลยเสร็จแล้วเอาจดหมายตอนนั้นอาจารย์สมใจนะซึ่งถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรที่มานี่ใส่ใจกันมาตลอดเป็นเวลาสามสี่ ป, ปีแล้สมเด็จทศนิพพาเขียนจดหมายมาเพราะเหมือนกับว่าท่านสนิทขลุงพ่อเขียนมากกว่าเสร็จาแล้วผ่เดินก็มาในวัดเนี่ย กินไอของหลวงพ่อเมตตาหลวงพ่อความมีศีลมีธรรมของหลวงพ่อทำให้เราสึกอบอุ่นอบอุ่นมาๆม า, มาบ้านเราบ้านเร า, า, เาโอ้ยญาติกันญาติกันอบอุ่นเลยรู้สึกปลอดภัยทันทีพอขึ้นมาหลังเขาด้วยนะมันเหมือนกับมันโล่งอกเลยหลังจากนั้นอยู่มาจนกทั่งหลวงพ่อเบื่ให้ วันที่เบุณพาพัน์เกือบเดือนแหละอยู่กันจนกระทั่งมันก็ว่าแล้วแต่ท่านอยากบวชอะไรก็บวชเยอะไม่บวชก็อยู่อย่างนี้แหละเราตั้งใจมาปริบัติท่านพูดคําเดียวเพ่งวันที่เบิดได้สามวันเราตั้งใจเดินจงกรมตั้งใจมากมันจับสภาวะได้ทันทีอ๋อที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเพ่งเพราะท่านพูด เสียงมกระทบทางหูพอเราวางความรู้สึกที่เรากำหนดนิดนึงมันวิ่งจี้ไปที่หูฟังเสียงจะไปดูทางตาเสียงท่านพูดกวเพ่งมันเห็นอาการอย่างนั้นนะเราจะว่ายังไงวันนั้นเป็นวันบวชวันแรกยีิบเอ็ดกนะุมภาพันธ์รู้จักคำว่าเพ่งวันที่ยี่บสามกุมภาพันธ์ก็เข้ามาที่นี่แหละมาปฏิบัต ทำเข้าใจแล้วไอเพลงเป็นยางไงครั้ออนี้ก็ถอยๆว่าเผลออะไรกันเนี่ยเผลอเป็นยังไงมันก็รู้มันหลงไปคิดไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดอะไรที่มันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของวิตกวิจารณ์ในธรรมที่มีอยู่ในตัวเราไม่ใช่แต่มันไปคิดถึงอดีตแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ลักษณะของเรามาบวช เราตั้งใจมาบวชคนมีลูกก็ต้องห่วงลูกสิคนมีเมียก็ต้องห่วงเมียสิคนมีงานก็ต้องห่วงงานคนมีบ้านก็ต้องห่วงบ้านคนมีพ่อห่วงพ่อมีแม่ห่วงแม่มีอะไรมันก็ห่วงนั้นก็วิ่งแน่นอนละ่ะมันก็เผลอสิกระเนี้ยคราวนี้มันเผลอแรงมันเผลอไปในความโกรธมันก็เห็นแล้วอารมณ์โกรธนี่ยาดที่สุดมันก็เผลอนี่ยิ่งโทรศัพ์ฉลิตแรงๆก็ต้องไปนิสัยเก่า เราก็ทำไปได้แล้วเราก็รู้แล้วอันเนี้ยคืออาการว่าไหวเผลอนี่หน่เ น, น, น, น, น, น, นี่ยเผลอแล้วอ้าวเผลออีกแล้วเผลอซ้ำๆมันจะไม่รู้ให็นรู้ไปนะมันก็มีพอดีพอดีแล้วก็เผลออีกแล้วพอดีพอดีแล้วก็เผลออีกแล้วซึ่งมาก่อนเราเผลออยู่ตลอดเวลาอยู่กับงานอยู่กับการอยู่กับอะไรก็ตามมันก็เผลอตลอดตอนหลังก็เลยเราไม่ได้ห้ามมาหรอกนะ แต่ก็สังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นเวลามันเผลอที่ไรนะมันมีอาการตัวบัญชาเลือดลมมันฉีดหัวใจมันเต้นเร็วแล้วก็ปฏิยาของรูปเรากายของเราน่ยมันไม่เหมือนเดิมทีแรกเราก่อนเดินก่อนปฏิบัติมันปกติอยู่เริ่มต้นปฏิบัติก็ปกติอยู่แต่ทําไมพอมันทําไปความค่าไปในความคิดมันแปลกไปมันเปลี่ยนไปมันก็สังเกตได้นะี่ย หลังจากนั้นรู้จักคําว่าโดูนะว่าเออไออย่างเงี้ยก็เรียกว่าไปแล้วไปแล้วว่าไหวไปแล้วก่อนไปเป็นอย่างนี้นะเวลาพอดีๆเวลาเราเพ่งมาที่การเคลื่อนมือเดินยังกลมอ๋อ oh, มันมาอย่างนี้น้ำหนักมาอย่างนี้นะมันก็สังเกตอาการนะแต่เมื่อก่อนไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่าอาการเรียกว่าเผลอเรียกว่าเพ่ ง, พงแต่สังเกตได้ว่าเวลาเรานะรู้สึกตัวนสบาย เวลามันรู้พอดีพอดีมันสบายมันผ่อนคลายเพราะฉะนั้นคําว่าเพ่งก็ไม่แปลกเพ่งจึงรู้จักคําว่าเพ่งเผลอก็ไม่แปลกเผลอทำไมรู้จักคําว่าเผลอถูกไหมพอดีมันก็จะได้รู้จักคำว่าพอดีไม่ถูกไม่ผิดการปฏิรัติเบื้องต้นเลยนะมันจะต้องมีสภาวะมีอาการของผู้ปฏิบัติที่มีความตั้งใจให้เราได้รู้ได้เห็นได้เรียนได้ผ่าน เสแล้วมันจะเกิดสภาวะของการดูขึ้นมาครั้นี้แหละปฏิบัติไปปฏิบัติมาหลวงพ่อก็จะมาทำอี ก, กรครั้งก mm ็มาดูดูเวลามีอาการอะไรเกิดขึ้นมานะเนี่ยหลวงพ่อจะถามเลยดูอยู่ใช่ไหมดูย do อยู่ใช่ไหมบางทีเหตุการณ์ภายในก็คือมีสภาวะทำภายในเกิดขึ้นมา mm hmm. ไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อถามว่าดูอยู่ใช่ไหมจะถามแล้วเป็นคําถามคํา คำเดียวประโยชน์เดียวนะครั้งเดียวที่เคยถามแล้วไม่เคยถามอีกเลยพอตอนหลังไม่นานนักเช้าหลวงพ่อจะมาเทศเลยว่าปฏิบัติธรรมไม่มีคำถามมีแต่คาตอบไม่มีคําคตอบไม่มีคำถามก็หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็แสดงว่ากำลังสอนเรามาวานเย็นเราถาม เชา้านี้ท่านก็เทศสอนธรรมะแล้วให้เราได้เดินทางต่อไป้ามองในแง่ของลูกศิษย์อาจารย์ก็คิดอย่างนี้คราวนี้พอท่านพูดันว่าสภาวะผู้ดูนะดูอยู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยออกครับผมดูอยู่ผมดูอยู่คราวนี้มันจะมีปัญหาอย่อันนี้คือเรื่องข้างในใชนะ่ข้างนอกก็อยู่ด้กันไม่ใช่คนเดียวเนี่ก็อยู่ด้กันหลายคน วุฒิภาวะก็เหมือนกันพูนข้าวกระเหนือก็เหมือนกันสกุลก็ไม่เหมือนกันวุฒิภาวะคุณวุฒิความรู้ความสามารถก็เหมือนกันแนวคิดก็ไม่เหมือนกันมองก็เหมือนกันมุมไม่เหมือนกันเราจะต้องเกิดการกระทบกระทั่งกันถูกปหมเพราะคนไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนนแล้วกันทีนี้มัมีกรอบกติกากฎอะไรมากมายด้วยกันนี้พอมันมีเรื่องขึ้นมา มีคนไปฟ้องหลวงพ่อหลายเรื่องนะเด็กก็ไปฟ้องหลวงพ่อเดยกก็ไปฟ้องอาจารย์ใบสานเด็กก็ไปฟ้องหลวงพ่อเด็กก็ฟ้องอาจารย์ไบสานตัวเองเลือกเฉยไม่ตัดไม่เคยไปตอบคืออะไรนะมีอยู่ทีนึงเป็นปเรื่องใหญ่มากครั้งนั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเกิดนะมาก็ไม่เคยมีให้ใครมานั่งพูดอย่างนี้หรอกเราจนะแ ล, ะจะล้วไปบอกหลวงพ่อบอกอาจารย์ใบสาน วันนั้นจำได้ว่าบอ ก, กบพระโลกหนึ่งเรื่องที่เกิดมาทั้งหมดนันไม่จริงนะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านอย่างที่ทุกคนคิดนะเรียกเขาเรียกว่าจันไลกุบบาทเรียกว่าจันไกรกุบบาทถ้าเป็นอย่างนี้นะไปแก้เดี๋ยวนี้นะบอกอย่างนั้น เสร็แล้วพอพอให้เขาไปแก้ข่าวไปแก้เดี๋ยวนี้เลยนะวันนั้นชี้หน้านะแล้วก็ใช้อารมณนะ์ก็คือเรียกว่าพระเดชนะนะใช้พระเดชพอเตรียมไว้เต็มที่แล้วว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เกินมาผ่านเนี่ยได้เล ย, ยงงเป็นไงเป็นกันเอาขนาดนั้นนะแหละทีนี้ก็ตามไปเช็คว่าตกลงไปเคลียร์หรือ ย, ยังกับหลวงพ่ออ ง, งนะี้นะหลวงพ่อทักมาคําว่า ดูหรือว่าไปอยู่กับมันดูหรือว่าอยู่กับมันเพราะฉะนั้นสภาว่าู้ดูเนี่ยคือดูนอกแล้วก็ดูในดูนอกมันก็ดูได้เพราะทุกสิ่งทุงอย่างคือปรากฏการณ์เหมือนกันแสงเกิดขึ้นมาเสียงเกิดขึ้นมาจิตเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยเรื่องราวเกิดขึ้นมาบวกเกิดขึ้นมาลบเกิดขึ้นมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นลักษณะของธรรมชาติที่อยู่ร่วมกัน ทั้ภายนอกและภายในของตัวเราเองนภายนอกทําให้เกิดข้างในภายในทําให้เกิดข้างนอกมันแสดงออกไป น, นั้นเลยภาวะผู้ดูคือเออมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะ่าเงี้ยก็บอกหลวงพอ่อหลวงพอ่อที่ผมมาเนี่ยพอมีเหตุว่าอเงี้ยมันมีเหตุว่าอย่างเงี้ยไอเนี่ยมันอยู่กับผมไม่ได้หรอกของมีค่าชิ้นเนี่ยมอยู่กับผมไม่ได้หรอกนะมีคนคนหนึ่งเนี่ย ข้ามาให้ผมอาตมาก็เลยเขียนซองเอาไว้เลยใครให้มาแล้วผมเจตนาให้หลวงพ่อเขียนอย่างนั <S <S น้นแหละเพื่อให้เป็นเรื่องของความตรงความตรงไปตรงมาตามกฎของธรรมชาติของหลักสัจจ์ความจริงอย่างนี้นะพอจะเข้าใจได้ไหมนี่คือการใช้ชีวิตใช่ไหมที่เรามารวมกันเป็นคนหมู่มาก นะมีกฎมีกติกามีวินัยนะอันนี้ก็คือข้อตกลงร่วมกันแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือสภาวะของจิตเรานะที่มันมีสภาวะของการฝึกสตนะิดูกายดูเวทนานะดูอาการของจิตที่มันคิดไปแล้วก็เห็นสภาวะทาสภาพทำต่างต่างข้างภา ย, นภายในอย่างเงี้ยอย่ามาเห็นว่าช่วงนี้จะมีเหตุเกิดขึ้นมาตอนนี้เหตุฐานนะ กำลังเกิดขึ้นมาหลังจากฝนตกนะแล้วเดี๋ยวใครดูน่าเหตุนี่แหละมันจะสอนอารมณ์เราอย่างดีเลยนะเวลาเดินและเจอเหตุนะดูซิว่าอารมณ์จะเป็นยังไงนะหลายคนก็จะโอ้หดีใจมากเลยนะสังเกตจากชาวบ้านกันแล้วกันที่ก็ไม่ได้ฝึกสตินะชาวบ้านธ้ามไฟอาจจะพอทนนะหรือว่าที่บ้านใหม่นี่อาจจะพอทนนะแต่ถ้าลองลดข้าเหมาขึ้นมาจากข้างล่างนะเราจะเห็นเลยว่าเขาเป็นครูสอนเราอย่างดีเลย ก็จะเข้าไปแล้วก make anyway, ็เอออาไว้ายเคลียเห็ดกันเดี๋ยวสักสองสามวันนะมันจะขึ้นมาแล้วตอนนี้มันเริ่มเดินเชื้อเรียกว่าเห็ดละโมกอะอนีมาตั้งให้เห็ดละโมกนะจะบางเรียกเห็ดละโงกเห็ดละโงกมันจะมีสีแดงมีสีเหลืองมีสีขาวบางทีเราเดินไปเดินไปนะเราจะเห็นว่าเออลักษณะของอาหาร มันจะเกิดการคิดการปรุงการแต่งเรียกว่าอาหารเรพริเยยทุกขอาหารอาหารเรพริเยยทุกขก็คือมันเกี่ยวข้องกับอาหารน่ะแหละก็คือมันจะมีเรื่องอาหารเกิดขึ้นมาอาหารเกิดขึ้นมาอาหารเกิดขึ้นมาแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือการสนับสนุ น, นลักษณะของอาหารที่ได้มามันเป็นบุญแล้วก็เราจะสนับสนุนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ปฏิบัติอันนี้เรียกว่าเป็นเลิอดหน้าดูนะ กของการให้แล้วก็มันเป็นพลังงานไปทำความดีเป็นการบรรลุธรรมกันอันนี้นก็เโมโทนาอย่างมากเลยมัดป่าสตโตโก็จึงมีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุสนเราที่พูดมาขนาดนี้ก็คือต้องขอบคุณกับทุกๆอารมณ์ที่แสดงออกมาให้เราได้ดูเป็นครูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ลักษณะของสันสัตยานที่เรานะมีอยู่ทุกคนแล้วก็ตัวหลงมันก็พัฒนาสันสัตยานจนเป็นตัวกิเลสเป็นความโลภความโกรธความหลงความรักความชางังอิจาริสิยาต่างๆเป็นกิเลสเป็นอุปกิเลสเพราะฉะนั้นจึงนะมีสภาวะของอารมณ์นี่แหละที่ทําให้เรา เดินทางได้ชัดตรงขึ้นขอบบวกขอบลบเนี่ยอัตรากุณมัทยโยกกร ม, มาสุขายกายโยกต่างต่างนะความรู้สึกตัวมันไม่ใช่ตัวคิดนะสัมผัสรู้ความรู้สึกตั ว, ส ภ, วสภาวะผู้ดูก็ไม่ใช่ตัวคิดเียนะสภาวะของการสัมผัสรู้ตั้งแต่เบื้องต้นมันก็พาไปนะที่คิดถึงนะมากที่สุดอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวของ ตัวความโลภแล้วก็เป็นตัวราคานุใสตัวราคานุใสพัฒนาจึงเกิดความโลภตัวหยาบขึ้นมาผลบรรโลภเราก็ไฝคว้ า, ควาเคยเห็นชัดๆอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าชัดอยู่ครั้งหนึ่งก็คือสภาวะที่มันกระดิกแรงมากเลไปเห็นอยู่ที่นูน่นร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ชุมแพคืออาศัยเหตุการณ์ภายนอก ไปซื้อหน้าต่างบานบันไดของกุฎจานท ร, ร์คำพนสศหนึ่งกุศลหนึ่งเป็นกุฎแรกที่อยู่ในสวนเกษตรแล้วก็เป็นทางตันสมัยก่อนต้งเดินข้ามสะพานมานะทางเส้นคันคูอันนี้ไม่มีมันจะมีร่องน้ําอยู่สองร่องคือร่องที่หนึ่งก็ที่เป็นท่ออยู่แถวกลัวร่องที่หนึ่งร่องที่สองก็คืออยู่หน้าสํานัก ง, งานไต้ลักนมันจะเป็นท่อ น้ำระบายก็ไปในสระใหญ่ตอนหลังก็ถมถมเอาดินลูกหลังมาถมแล้วก็ตัดตรงเข้าไปคราวนี้สร้างกุฎอาจารย์กำพลเนี่ยต้องไปซื้อวัสดุที่ชุมแพมันถูกที่สุดสมัยก่อนแถวนี้ก็จะไม่มีวัสดุสภาวะผู้ดูเนี่ยมันมีอยู่แล้วเวลาออกไปข้างนอกกับอยู่ในวัดมันเป็นตัวตัวเดียวกัน ระหว่างอยู่ในวัดแล้วก็ทำงานนะกับเวลาเราอยู่ในรูปแบบในตัวเดียวกันคราวนี้พอออกไปข้างล่างไปข้างนอกเนี่ยมันเห็นสภาวะหนึ่งที่มันปกติอยู่ปกติอยู่ปกติอยู่ปกติอยู่ธรรมดาตัวกายไม่อยู่อาการของจิตมันก็แสดงอยู่เห็นอยู่ บ้านหน้าต่างก็ส่งผิดเอาไม้สักมาแทนไม้เต่งมันมีความรู้สึกว่าการะดิกปึ้บขึ้นมาเฮ้ยไม้สักดีจังราคาสามร้ยห้าสิบบาทลักษณะความคิดมันเป็นอย่างนี้ดีจังบานละสามร้ยหสิบาทเหมือนกับว่าเราจะได้กำไรเพราะเห็นงี้ปะ่ะบอกเอาลงเอาลงเอาลงบอกให้เอาของลงเลยเงี้ย แทนที่มันจะอยากได้บอกเอาของลงแลวของลงเลยไปกับพ่อจง <Yeah. S 1> มันก็เห็นสภาพว่าแบ้เลยอ๋อ อ, อตัวนี้เป็นอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้อาการอย่างนี้ก็จากวิธีคิดแบบนี้แบบนี้เห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเออกรรมฐานเนี่ยฐานกายมันพาไปมาดูกายรู้จักกายเวทานามเกิดขึ้นมา เนื่องจากเวลาผัสสะเราไม่ทันผัสสะกระทบเราไม่ทันการกระทบไม่มีปกตินะมันไม่ทันจริงๆมันก็จะรู้เลยน่ะละ่ะคือครูแล้วละ่ะหลงคือคกูว เ, เกิดอะไรขึ้นก็ได้ที่มันเป็นอาการเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้เป็นดีก็ได้เป็นชั่วก็ได้แล้วแต่เขาจะแสดงออกกับเราหรือเรามีอยู่ข้างในแล้วมันเกิดปั้ดขึ้นมาเนี่ยอาการ่ก็คือความเป็นปกติหรือว่า กำลังของสมาธิที่มันมีอยู่ของกตั้งมั่นอยู่ตนะ่อความเป็นปกติสภาวะธรรมธรรมชาติต่างๆที่แสดงนะเกิดการกระเพื่อมการเคลื่อนการไหวขึ้นมาก็เป็นของหยาบทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ของละเอียดนะแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ต่างหากแล้วแต่เขาจะเกิดก็ เ, เกิดไปห้ามไม่ได้ประคองไม่ได้ถ้ายิ่งประคองก็ยิ่งเป็นวิปัสสนูทุกตัวประคองความรู้สึกตัวก็เป็นวิปัสสนูประคองความเป็นการก็เป็นวิปัสสนู ประครองสตินะจน ส, สติกล้าก็เป็นวิปัสสนูประครองความเป็นกลางก็เป็นวิปัสสนูประครองอะไรก็ตามก็เป็นวิปัสสนูนั้นมีการปล่อยเห็นไหมปล่อยแล้วก็รู้ปล่อยแล้วก็รู้เกิดอะไรกันบ้างแล้วก็รู้เมื่อไม่มีอะไรรู้กลับมารู้สึกที่ฐานกายไปเรื่อยๆมันก็เป็นสภาวะอย่างนั้นนะเป็นการก ร, รนะทํำกรรมฐานนะมันทําให้เกิดสภาวะของธรรมชาติที่เราไม่ต้องประครับประครองหรือว่าเจตนากําหนดนะี่ มันก็จะยิ่งเนหะมือนกับว่าเกิดความมั่นอกมั่นใจในทิศทางและยิ่งนะไดใสหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนะมีความศรัทธาในตัวท่านอย่างไม่เสื่อมคลายเห็นว่าท่านสอนถูกนะเราก็ภาวนากับตัวท่านไว้ให้ด่าเต็มที่ให้สอนเต็มที่โกกสอบเต็มที่จะสอบยังไงก็แล้วแต่ท่านจะสร้างจอดสร้างเงื่อนไขมาแล้วก็ไม่ว่ากันนะท่านจะ ใกล้ๆเห็นเรานะเป็นลูกศิษย์ไม่เป็นลูกศิษย์อันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเราก็จะสังเกตนะท่านก็ทําให้ดูอยู่ให้เห็นจนได้เราได้สัมผัสอย่างนี้นะงงนะและก็จึงเหมือนกับว่าให้มั่นอกมั่นใจนะในวัดป่าสุขโตนะซึ่งเขียนป้ายไว้สองป้ายเลยวัดป่าสุขโตสถาบัานสติปัฏฐานอธมาทําไใบป้ายที่สองที่ตรงนี้ ก็จะแปลกใจนะเหมือนกับว่าข้างหน้าเป็นวัดหนึ่งข้างในเป็นวัดหนึ่งสองพวกรึเปล่าไม่ต้องมาเจะแปลกใจอย่างนั้นนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเตือนใจให้เราลึกว่าที่นี่เป็นวัดอยู่เพราะว่าการเข้ามาข้างในแล้วมันจะหลงพราบรรยากาศแบบรีสอร์ทไงสบายๆผ่ อ, อนคลายเดี๋ยวจะหลงเผลอลไปเจ็ดนาทีแรกก็เห็นว่ามันทําตามมีตามได้เพราะมันมีสถาปัตยกรรมแนวพุทธอยู่นะ มหาเถราสมาคมก็จะมีการออกแบบอาคารต่างๆมากมายแต่ที่นี่มันเป็นของป่าไม้แล้วก็เท่าที่รู้มาตั้งแต่ต้นมั น, มน ไ, มไม่ได้เป็นวัดเป็นแค่มีพระมาอยู่แล้วชาวบ้านก็เรียกวัดเฉยๆราก็ทางมหาเถราสมาคมก็เออวัดก็วัดอย่างเยก็ลงทะเบียนให้เป็นวัดเท่านั้นเองก็เลยไม่ได้มีอะไรมากมายอโบสถ์ก็คือสารกากลางน้ําอย่างเงี้นะราคาแดงๆอย่างงงนะ ชือเสียงวัดป่าสุกตันี่มันใหญ่เท่าช้างทีเดียวนะชื่อเสียงแต่ ม, มาจริงมันเท่ามดนะเล็กนิดเดียวแต่ถ้าจะมาให้ถึงวัดป่าสุกตไปแล้วโดยเดียก็ยคือเคลื่อนมือรู้สึกเถอะหลวงพ่อเป็นทำท่านเป็นซิดเอกหลวงพ่อเทียนท่านก็นมาสอนแนวเคลื่อนไหวนี่แหละตอนนี้ท่านก็ย้ายอยู่ข้างล่างหลวงพ่อเขียนก็นมาที่หลังแต่ก็สร้างวัดด้วยกันนะแล้วก็สอนวิธีการเคลื่อนไหวนี่แหละ ภาวะของผู้ ด, ดูแต่ว่าหลวงพ่อเขียนท่านจะคล้ายๆว่าให้เกิดแรงบันดาลใจหรือว่าพาตัวเองทํำมาเองถ้าหากว่าทําเองเกิดศรัทธาเองหลักของจริงถ้าชวนทําถ้าผลักทำเนี่ยก็ถือว่ามันยังไม่เกิดตัวศรัทธาเล ย, เ, ยเมื่อตัวเองไม่สั่งตัวเองให้เคลื่อนนะแล้วมันจะเกิดการสอนตัวเองได้ยังไงถ้าเราสั่งตัวเราก็เกิดการสอนขึ้นมาสั่งกับสอนมาด้วยกันตอนหลังนะถ้ามีคนทํา เกินไป14จังหวัดท่านก็จะเชียร์อย่างเช่นเมื่อสองวันก่อ น, นที่กลุ่มคณะแพทย์มารวมกันทั้งสิ้น198ค น, นท่านมานั่งยกมืออยู่เนี่ยกับโหลตกตะกลมยกเฉยเลยถ้าถ้ามาใดมีการถกเถียงกั น, นอันนี้เป็นความเห็นขอาตมานะมีการถกเถียงว่าไม่ต้องทําได้ไหมท่านเออก็ไม่ต้องทําหรอกท่านอยู่แบบไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรคุณก็มีปัญญาของเองเด็ด คนดูเป็นคนก็ดูเป็นไปแล้วก็จะอยู่กันอย่างสันติสุขสันติภาพแล้วละ่ะมันก็จะไม่มีอะไรมากมายต่างคนก็ต่างมีเมตตาอามาญใจกันต่างคนก็ต่างมีความอดทนอามาใช้กันต่างคนก็มีการอายชั่วกลัวบาปอาบัญใจกันต่างคนก็มีลักษณะของความปรารถนาดีต่อสัตว์สัตว์สิ่งอาบัญใจกันแล้วก็รับผิดชอบด้วยอย่างนี้ก็เลยว่า โดยตัวศรัทธาที่ตัวเองมีที่วัดป่าสู่โตก็ปรารถนาที่จะมานั่งสร้างจังหวะจนพิสูจน์คำท้าทายที่หลวงพ่อเทียนบอกให้มานั้งธรรมอย่างเนี้ยนะไม่เกิน3มปีจากนี้น้อยคุณก็จะไม่ทุกข์นั่นแหละหรือว่าทุกข์น้อยลง อ, อนาคามีแว่บางนั้นนะหมายถึงว่ารู้ถึงตัว ราคาปฏิกะธ น, นาคา ม, มีอย่างนั้นรู้ราคาปฏิกะราคานุสัยปฏิกานุน้สอย่างเงี้ยรู้ไอตัวเนี้ยถ้าพัฒนาไปเดี๋ยวเป็นโทสะโมห oh าโลภะจะรู้อยู่ทันท่าไทยนันอย่างกลาง1ปีอย่างเร็วที่สุดนี่3เดือน90วันพระเจ้ากระทาไว้เหมือนกัน7ัน7เดือน7ปีเอ้าลองดูสักตั้งนง เพราะการเรียนรูนะ้ที่เป็นขั้นอุดมศึกษาจบปริญญาตรีทำงานทำการแล้วก็ยังทุกอยูนะ่มันใช้เวลาตั้งนานแต่ว่าการฝึกหัดพฏิบัธรรมเมื่อเรารู้แนละ้วไม่ทุกอีกต่อไปนะมันก็น่าสนใจนะการท้าทายตัวนะี้เราก็มาพิสูจนะ์เลาเห็นว่าการเรียนแนวหลวงพุเรนะียนเนี่ยมันใช้ได้จริงๆนะมันสามารถทำให้เราทุกลดหรือว่าไม่ทุกได้จริงๆนะก็ลองสังเกตนะว่า ขณะที่รู้สึกตัวไม่ได้เข้าไปในความคิดในวเวลาวางใจสมดุลกลางๆมันไม่ทุกจริงๆนะเวลาอยู่กับเนื้อกับตัวนะในอดีตที่เคยเป็นปัญหาเก่าๆกับบุคคลกับวัตถุกับสถานที่ต่างๆกับงานกับการกับทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปไหนไม่รู้เป็นนะอนาคตก็เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้าไปในอดีตไม่เข้าไปในอนาคตเข้าได้หยิบเอามาใช้เนี่ยเมื่อกี้เทศเนี่ยไปหยิบอดีตมาใช้ หรือว่าอนาคตการวางแผนงานต่างๆใช้ได้มันเราไม่ได้ห้ามความคิดนะเพราะว่าความคิดต่างๆนะถ้าเจตนาคิดใครควรดีแล้วเป็นตัวปัญญาหยิบเอามาใช้เลยนะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีความงามเป็นความสุขนะใช้ได้เลยอย่างนี้นอ่ะอยนนี้ก็เห็นว่าสมควรเก็เวลาพูดให้ฟังแค่นี้ก่อนนะกลับมา พ, พร้อมกัน